มากเลยมันวิ่งเดืหลเือดไหลไปดรื่ อ, าอมาทำลายกันนะนี่มันกดมันคนน่อนหน้าอยู่รุหัวเพื่อนอย่าว่าเกเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะทุกคนวายการดาเนินมันไปคนโลกนะมันรู้ว่าเก่งว่ากาดอยู่ที่อยู่นี่นิก็แตกนะไม่ว่าทำการทำงานอะไร มันมีความคึกความขนองอยู่ในปิิยานเหี้ยอกแถวไม่พูดที่เฉยพอนีล้ลืมมาอวดอานาปวดวัดเอัเคิ่งครับพอแล้วมันจะเน่งเตอยู่แล้วหนหมึงลืมเน่าแล้วผม รูปจักรกิเลสไม่ใช่มีผู้ประเภทกดียาประเภทนีนะ้มันจ่ อ, อยภายในตลอดเพ่งสติเป็นเพื้นนึ่ก็บอกไปเสมอว่ามี่พูดเล่นเลยเรอการนํานมาสอนตรงนี้เป็นการสอนเล่นอยู่ถอดออกมาจากความจริงมาสอนทสตินอยามยังไม่ได้ถึงใจบ้างหรือ พักิลมันฆ่ายากขนาดไหนค่าจิเลสไแล้วประเริดใครไม่บอกกระเตก็ประเริดในตัวพูดแล้วนี่ยบุกบอกทั้งสองเมื่อนสามเมือนแล้วจะให้บอกอะไรอีกเลวแล้วเลวทีว่สุดอะไรพายเลวทัางไม่ใช่กิเลสนะที่แหลมคมที่สุดมันมีอะไรเกิ น, นกิเลสเาพูดแล้วเนี่ยมาใจิจอางนี้ฆ่ากิลสได้ให้เห็นได้เลยเลสนหัวเราะเนี่ยมีฟันฟันหักกิเลส หัวเราะลมมันออกอย่างมุนแรงมันหัวด้วยความโขบขันกำนัทปฏิบัติกรรมฐานออกลมมันพุ่งออมากระทบฟันฟันหักจะไม่มีเลยปากมันคนอายุตั้งเจ็ดแปดสิบมันมีฟันในปากเลยถูกพหลึกทำลายออกลมมันหัวเราะกบขันนักปฏิบัติ ยังไม่ท่านอยู่เลออยนี้ที่ภูมองดูอยู่มันจะตายแล้วนะเพราะกิเลสมันเคยฟาดเอาฟันหักมันกี่ปากแล้วป า, ปากเจ้ของป่ากเดียวนี่ไแต่มันไม่รู้กี่ปากแล้วไม่มีเหลืออยู่ในปากฟนที่จะได้นําเรื่องมันมาพูดในหมเพื่อนฟังฟันไม่มีเหลืออยู่ในปาก ยังมเพิ่มอยู่นะดีอานี่ไม่ไ้ชิริยาขายเหล็นะดีอายยยนี่คือดีายยปันหักไม่มีริยาไม่มีปันเดินในปาานะฮาลโห